ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นคำภีชินาลังการดีกาแปลพระพุทธรัชกิตาจารย์ชาวสีลังกาพระจนาต่อไปก็จะเป็นการพันานาอภิษฐานในการกอนพระพุทธรัชกิตาจารย์ครั้นพันานาพระสัพพายุตยานอันไม่ทั่วไปกับบุคคลอื่น ของพระผู้มีพระภาคเจ้าอย่างนี้แล้วประสงค์จะพันน า, นาเหตุแห่งการเกิดขึ้นของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นเมื่อจะถามด้วยอํานาจกระเถตุกรรมยาตาปุจฉาคือถามด้วยประสงค์จะตอบเองจึงกล่าวว่าท่านทั้งหลายจงกล่าวคุณไม่ใช่น้อยของพระมหาบุรุษนั้นในโลกนี้บุคคลผู้จะเปรียบเทียบและผู้ยิ่งกว่าพระมหาบุรุษนั้นย่อมไม่มี พระมหาบุรุษผู้เช่นนั้นให้คุณอะไรนั้นไว้พระมหาบุรุษนั้นได้อะไรเป็นพิเศษซึ่งมิได้กระทำเองคาถานั้นมีอธิบายดังต่อไปนี้ท่านทั้งหลายจงกล่าวคุณไม่ใช่น้อยของพระมหาบุรุษนั้นผู้เกิดขึ้นแล้วในโลกนี้เมื่อท่านทั้งหลายกล่าวคุณของพระมหาบรุษนั้นอยู่ปากย่อมไม่พอจะกล่าว ข้าพเจ้าถือเอาข้อนั้นเป็นเหตุยืนยันบุคคลผู้เสมอหรือสูงสุดกว่าพระมหาบุรุษนั้นย่อมไม่มีพระพุทธรคิตาจารย์ย่อมถามว่าเมื่อเป็นเช่นนั้นข้าพเจ้าจึงขอถามข้อนั้นพระพุทธคุณเช่นนั้นอะไรนั้นที่พระพุทธเจ้าผู้เช่นนั้นทรงประทานให้อีกอย่างหนึง่งข้าพเจ้าจะขอถามถึงความเห็นของท่าน อะไรหนอที่กระทำด้วยกำลังแขนของตนพระมหาบรุษได้อะไรเป็นพิเศษคือได้ตามความเป็นจริงก็คืออาศัยการบำเพ็ญอะไรจึงสามารถที่จะมีคุณพิเศษอย่างนั้นเพราะเหตุนั้นพระพุทธคุณทั้งปวงรวมกันแล้วเที่ยวไปพบพระมหาบรุษนั้นแล้วตามความเป็นจริงจึงเข้าอยู่ในพระมหาบรุษนั้นพระมหาบรุษได้อะไรโดยไม่ได้กระทำ พระพุทธรักขิตาอาจารย์เมื่อจะวิสัชนาเนื้อความที่ถามอย่างนี้จึงกล่าวว่าพระมหาบรุษไม่ได้อะไรจากพระพุทธเจ้าในปางก่อนโดยไม่มีเหตุไม่ได้ด้วยการสมมุติให้ของผู้วิเศษมีพรหมเป็นต้นจำนวนมากผลนี้พระมหาบรุษได้มาด้วยบารมีมีทานเป็นต้นซึ่งทรงกระทาเองหาข้อเปรียบเทียบมิได้ ในคาถานั้นมีอธิบายว่าคำว่านาทิจะลักทางไม่ได้อะไรโดยไม่มีเหตุคือโดยไม่มีสาเหตุได้แก่ได้มาตามความเป็นจริงคำว่านาจัปปะบุตธาไม่ได้อะไรจากพระพุทธเจ้าในปางก่อนคือไม่ได้แม้จากพระพุทธเจ้าในการก่อนอีกอย่างหนึ่งไม่ได้แม้ด้วยการสมมุติให้แห่งผู้วิเศษ มีพรหมเป็นต้นจำนวนมากคือมนุษย์เทวดาและพรหมจำนวนมากมีได้ร่วมประชุมกันให้การสมมุติเป็นพระพุทธเจ้าว่าพระมหาบุรุษนี้จงเป็นพระพุทธเจ้าของพวกเราแล้วจงกระทำการสั่งสอนพร่มสอนดุจมนุษย์ทั้งหลายกระทำการแต่งตั้งพระเจ้ามหาสมมติเป็นพระราชาคำว่าสยางกเตเนวะซึ่งทรงกระทาเองคือ ที่ตนเองนั่นแหลกระทาได้แก่ให้สำเร็จประโยชน์คำว่าอนูปเมนะหาข้อเปรียบเทียบมีได้คือล่วงพ้นข้ออุปมาคำว่าดานาดินามีทานเป็นต้นคือด้วยบุญมีบารมีสามสิบท่วนอธิบายว่าพระมหาบุุษได้ความเป็นพระพุทธเจ้าพระพุทธคุณพระพุทธานุภาพอันมีคุณที่ไม่ทั่วไปกับบุคคลอื่น มีพระทศพลยานพระจตุเวสารัชยานเป็นต้นซึ่งเป็นผลแห่งบุญเหล่านั้นในข้อนี้พระปราวาทีอาจารย์กล่าวท้วงว่าพระสารีบุตรเถระกล่าวไว้ว่าคําว่าพระพุทธเจา้าอธิบายว่าพระผู้มีพระภาคเจา้าผู้ทรงเป็นพระสยามภูไม่มีอาจารย์ได้ตรัสรู้สัจจะในธรรมที่ไม่เคยสดับมาก่อนด้วยพระองค์เอง ทรงบรลุความเป็นพระสัพพัญญูในสัจจะนั้นและถึงความเป็นผู้ทรงชำนาญในพระยานทั้งหลายก็บุคคลใดเห็นเรือนหรือได้ฟังเรื่องเรือนอื่นย่อมสร้างเรือนของตนด้วยคิดว่าแม้เราควรที่จะสร้างเรือนอย่างนี้เมื่อจากกระทํารถกเกวียนอย่างนั้นได้เห็นรถหรือได้ฟังเรื่องรถเรื่องกเกวียนในก่อนจึงกระทาได้ บุคคลนั้นไม่เห็นไม่ได้ยินไม่สามารถจะกระทําศิลปะอะไรได้ไม่ต้องเปล่าถึงความเป็นพระพุทธเจ้าที่มีอนุภาพมากอย่างนี้พระมหาบุรุษนั้นทราบได้อย่างไรว่าเราจะได้อนุภาพของพระพุทธเจ้าเห็นปานนี้ด้วยข้อปฏิบัตินี้พระสกะวาทีอาจารย์ก็ตอบว่าข้อนั้นก็จริงแต่ในเรื่องนี้มีเหตุอยู่คือ บุคคลใดเห็นเรือนมาก่อนแล้วคิดว่าเราจะสร้างเรือนแบบนี้จึงตระเตรียมเครื่องไม้เป็นต้นเมื่อบุคคลนั้นได้ทัพพะสัมภาระพร้อมแล้วการที่จะไปดูเรือนอีกก็ไม่จําเป็นบุคคลนั้นย่อมสร้างเรือนโดยทํานองที่ตนได้เห็นมาก่อนการกระทํารถและเกวียนเป็นต้นก็เหมือนกั น, นก็ได้ดูแบบมาแล้วเพราะฉะนั้นถ้ามีทัพพระสัมภาระพร้อมเพียงพอก็ไม่ต้องไปดูอีกแล้วก็สร้างเองเลย พระมาหาบุรุษแม้นี้ก็เหมือนกันได้เห็นพระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆในชาติก่อนแล้วได้กระทําสิ่งที่มิได้เห็นสิ่งที่มิได้ฟังในอัตภาพที่เป็นพระพุทธเจ้านี้มิได้เห็นแล้วก็ไม่ทรงกระทํำทรงฟังธรรมของพระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆนั้นแล้วจึงได้ทรงกระทํำมิได้ทรงฟังแล้วก็ไม่ทรงกระทำต้องเคยฟังธรรมะในอดีตมาก่อนแต่ว่าชาติปัจจุบันที่เป็นพระพุทธเจ้านั้นไม่ได้ฟังจากใครแล้ว เพราะฉะนั้นพระมหาบุรุษนั้นได้เห็นพระพุทธองค์ก่อนๆมาแล้วปฏิบัติเพื่อประโยชน์นั้นพระพุทธรักิตาจารย์เมื่อจะแสดงเรื่องนั้นจึงกล่าวว่าจริงอยู่นับจากปัจจุบันนี้ไปในกับอดีตที่สุดสี่อสงไขยหนึ่งแสนกับสุเมธาดาบทเหาะไปทางเวหาด้วยฤทธิในครั้งนั้นพระชินเจ้าพระนามว่าทีปังกร พร้อมพระสงค์เสด็จไปยังรำมณฑลรุ่งเรืองอยู่ผู้อันเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายบูชาอยู่ดุจพระอาทิตย์มีรัศมีตั้งพันรุ่งเรืองอยู่กลางท้องฟ้าฉะนั้นสุเมธาดาบทได้ฟังคําของพวกมนุษย์ซึ่งกําลังพยายามทําทางเพื่อพระพุทธเจ้าทีปังกรพระองค์นั้นกล่าวว่าพุทโธพระพุทธเจ้าแล้วดีใจเกิดปีติคิดว่า วันนี้เราถวายร่างกายของเราแด่พระพุทธเจ้าทีปังกรพระองค์นี้จกเป็นพระพุทธเจ้าเช่นพระพุทธเจ้าพระองค์นี้ในอนาคตสุเมธาดาบทนั้นนอนทอดร่างกายของตนเป็นสะพานบนเปือกตมที่แอ่งน้าในทางนั้นคิดว่าขอพระพุทธเจ้าพระองค์นี้จงเสด็จไปบนหลังของเราถ้าพระโพธิยานจักสาเร็จแก่เราในอนาคต ก็ขณะนั้นพระพุทธชินเจ้าประทับยืนทางศรีรษะของสุเมธดาบทนั้นทรงทราบว่าอัศยาศัยของดาบทนี้จะสาเร็จในอนาคตแล้วทรงพยากรณ์อย่างสิ้นเชิงว่าดาบทนี้จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตสุเมธดาบทครั้นได้ฟังแล้วดุดได้รับการอภิเศกยิ่งใหญ่ระลึก ถ, ถึงเนืองเนืองซึ่งพระโพธิญาณ ประดุดได้รับแล้วเมื่อพระมูนีเทวดาและมนุษย์กูชาแล้วหลีกไปจึงลุกขึ้นพิจารณาบารมีสิบประการสุมเมธาดาบทนั้นสมาทานบารมีสามสิบท้วนอย่างมั่นคงแม้จะสามารถบำเพ็ญไตรสิกขาในสำนักของพระชินเจา้าพระองค์นั้นแล้วถึงฝั่งแห่งพบแต่ก็ขอไปสู่พบ เพราะกำลังแห่งกะรุณาในสัตว์ทั้งหลายในคาถาเหล่านั้นมีอธิบายดังต่อไปนี้คำว่าอิโตนับจากปัจจุบันนี้ไปคือนับจากมหาพัฒกับนี้ไปหิในคำว่าจะตุนังหิอสังขิยานังจริงอยู่เศรษฐงไขนี้ใช้ในความหมายเสมอกับคำที่กล่าวว่าตถาหิจริงอย่างนั้น คำว่าจะตุนนางสี่ก็คือจำนวนสี่ด้วยอำนาจระหว่างพุทธันดรคำว่าอาสังคิยานังคืออสงไขยพ้นวิถีที่จะนับได้อสังคิยาพท์ในที่นี้ใช้ในวความหมายว่ากำหนดมิได้เพราะเหตุนั้นพระพุทธเจ้าทีปังกรจึงตรัสว่าในกับอันประมาณมิได้นับจากกับนี้ไปดาบทนี้จักเป็นพระพุทธเจ้าในโลก ถามว่าเมื่อกำหนดนับมิได้อย่างนั้นการกำหนดจำนวนว่าสี่มาได้อย่างไรตอบว่าการกำหนดจำนวนมาได้ด้วยอำนาจพุทธันดจรจึงอย่างนั้นนับสี่ด้วยอำนาจพุทธันดรอย่างนี้คือระหว่างพระพุทธเจ้าทีปังกรกับพระพุทธเจ้าโกนธัญญะนับเป็นหนึ่งอสงไขหว่างพระพุทธเจ้าโกนธัญญกับพระพุทธเจ้ามังคละนับเป็นอีกหนึ่งอสงไขย ระหว่างพระพุทธเจ้าโศภิตะกับพระพุทธเจ้าอโนมาทัศศีนับเป็นหนึ่งอสงไขยระหว่างพระพุทธเจ้านารท ะ, ะกับพระพุทธเจ้าปะทุมุตตะนับเป็นหนึ่งอสงไขยคำว่ามัตเถเกที่สุดมีอธิบายว่าในเบื้องต้นข้างต้นคำว่ากัปเปอตีเตในกับเป็นอดีตมีอธิบายว่าในกับที่พระพุทธเจ้าสี่พระองค์มาตัสรู อันเป็นเบื้องต้นแห่งอสงไขยสี่อสงไขยหนึ่งแสนกับในอดีตสี่พระองค์ก็คือพระพุทธเจ้าตันหังกรทีปังกรสรนังกรเมธังกรสี่พระองค์นะกับเริ่มต้นเลยแต่ว่าพระพุทธเจ้าถุกพยากรตอนที่เป็นพระพุทธเจ้าทีปังกรนะพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยตอนเป็นสุมเมธาสีดาบทนะพระพุทธเจ้าทีปังกร ตันหังกโรมหาวีโรมเมทะงกะโรมหายโสสารนังกะโรโรกาหิตโตทีปังกโรชุดินทโรก็พระพุทธเจ้าทีปังกรเป็นองค์สุดท้ายในสี่องค์ในเสียสองไข่แสนกับที่แล้วเนี่ยนะพระทิ่ปังกรพุกเจ้าเป็นองค์สุดท้ายในสี่พระองค์งคําว่าตุมเมธาตาปโสตุมเมธาดาบทเป็นชื่อของดาบทนั้นคําว่าเวหายักษสาทางเวหาคือทางอากาศ คำว่าอิทธิยาทัศติตถาเหาะไปด้วยฤทธิ์ในครั้งนั้นมีอธิบายว่าในคราวที่พระผู้มีพระภาคทีปังกรเสด็จดำเนินไปสู่หนทางที่จะไปยังรัมมะนะครคำว่าทีปังกรโรนามะชิโนพระชิตเจ้าพระนาว่าทีปังกรมีอธิบายว่าก็แลในกลับนั้นโดยล่วงไปแห่งพระพุทธเจ้าสามพระองค์ คือพระพุทธเจ้าตันหังกรพระพุทธเจ้าเมธังกรพระพุทธเจ้าสาราาัรนังกรพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าทีปังกรทรงบำเพ็ญบารมีสิบหกอสงไขยหนึ่งแสนกับอันนี้ก็เป็นพระพุทธเจ้าประเภทศัทธาธิกะนะถ้าเป็นปัญญาธิกะก็แค่สี่อสงไข่แสนกับถ้าเป็นออถ้าเป็นพระพุทธเจ้าศรัทธาธิกะนี่ แปดอสงไข่แสนกับถ้าเป็นวิริยาธิกะก็กสิบหกอสงไข่แสนกับนะเพราะฉะนั้นก็พระพุทธเจ้าทีปังกรนี้ก็จะเป็นประเภทวิริยาธิจกรรมเพราะว่าปัญญาธิกะมีแค่สี่อสง์ไข่แสนกับอนะแล้วก็สัตยาธิกะนี้ก็จะแปดอสงไข่แสนกับนะถ้าเป็นวิริยาธิกรรมเราสิบหกนะแต่ถ้าเกิดเอานับตั้งแต่ยังไม่ได้ อถูกพยากรณ์ก็คือเป็นอานิจต์ปฎิจัตเนี่ยพระพุทธเจ้าที่เป็นปัญญาทิฏฐะนี่ก็ทั้งหมดต้องยี่สิบอัศงคัยแสนกับถ้าเป็นศรัทธาธิกะก็สี่สิบอัศงคัยแสนกับถ้าเป็นวิรยิยะทิฏะก็แปดสิบอัศงคัยแสนกับนะพระพุทธเจ้าที่บังกรนี่ก็ทรงลงเพ็ินบารมีสิบหกอัศงคัยแสนกับเป็นประเภทวิริยะทิกะ ในการที่พวกมนุษย์มีอายุหนึ่งแสนปีทรงอาศัยพระเจ้าสุเทวราชในอมระวดีนครประสูติจากพระคันของพระนางสุเมธาเทวีทรงครองราชสมบัติหนึ่งมื่นปีเมื่อทรงได้พระโอรสพระนามว่าอุสะพขันทะจากพระปทุมวดีเทวีแล้วทรงเห็นบุพนิมิตสี่ประการจึงเสด็จออกพร้อมบริวารจำนวนมากด้วยยานพาหนะช้าง ทรงผนวดพร้อมกับบทหนึ่งโกฎที่สุนทรารามทรงกระทำความเพียรสิเดือนจึงตรัสรู้พระสัมมาสัมโพธิญานณนัควงต้นบิดผลโพพึกทรงประกาศธรรมจักณสุนทรารามแล้วผู้ทรงประกาศธรรมจักอันประเสริฐแล้วสเสด็จจาริกไปในชนบทสเสด็จถึง ร, รัมนครโดยลำดับ ประทับอาศัยณสุทัศน์มหาวิหารพระพุทธเจ้าของเราบำเพ็ญทุกข์กิริยาทั้งหกปีนะก็จะได้ตรัสรู้เป็นพระสรัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ว่าด้วยหน้าของอุปสรรกรรมเนอดีตมากระทําให้ภาคเพียรด้วยความลําบากหกปีแต่ของพระพุทธเจ้าที่ปังกรนี่บำเพ็ญเพียงแค่สิบเดือนนะก็ได้บรรลุเป็นพระสรัมมาสัมพุทธเจ้าในครั้งนั้นสุมเมธดาบทเกิดในตระกูลพราหมณ์มีสมบัตินับไม่ถ้วน ในอมระวดีนครเป็นพรามปุมา น, นามว่าสุเมทะศึกษาจบไตรเพศเมื่อมารดาบิดาล่วงลับไปได้สำรวจดูซัพ์แล้วทำบุญอยู่ครองเรือนเพราะเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงเนรมิต ร, รัตนจงกรมในอากาศในสมาคมแห่งพระยาตที่นิโครทารามนะครกบริพัฒนทรงกระทำรรย ม, มกปาฏิหาริย์ตรัสว่าเราเป็นพรามนามว่าสุเมทะ อยู่ในกรุงอมระวดีสะสมทรัพย์ไว้หลายโกรธมีทรัพย์สมบัติและธัญญาหารมากมายเป็นผู้คงแก่เรียนทรงจำมนจบไตรเพถึงความสำเร็จในคำภีทํานายลักษณะและอิติหาัตว์และในธรรมของตนนั่งคิดอยู่ในที่สงบอย่างนี้ว่าการเกิดในภพใหม่และการที่สตรีระแตกดับไปเป็นทุกข์ ก็ครั้งนั้นเรามีความเกิดความแก่ความป่วยไขย้เป็นธรรมดาเราจักสแสวงหาพระนิพพานที่ไม่แก่ไม่ตายอันเป็นแดนเกเสมคนมีทรัพย์มากจะมานั่งคิดอย่างนี้ไหมเนาะถ้ามีทรัพย์มีสมบัติมีโภคสมบัติบุตรปรยาสามีพระรงคร้อมกระหายทุกสิ่งทุกอย่างจะมานั่งคิดหรือเปล่าว่าสริระแตกดับไปเป็นทุกข์การเกิดในภพใหม่ก็เป็นทุกข์ความเกิดแก่เจ็บตายความป่วยไข้ ก็เป็นทุกข์ควรจะแสวงหาทางพ้นทุกข์ถ้าไม่ได้สังสมอุปนิสัยบารมีในอดีตมาก็คิดไม่ได้นะเพราะว่าอำนาจของกามมันท่วมทับเอาเถิดเราควรเป็นผู้ไม่มีความห่วงใยไม่มีความต้องการละทิ้งร่างกายที่ถืวยเน่าเต็มไปด้วยซากศพต่างๆนี้ไปเสียมักนั้นจะต้องมีอยู่มักนั้นไม่อาจจะไม่เป็นเหตุ เราจักสแสวงหามรคนั้นเพื่อหลุดพ้นไปจากภพเมื่อความทุกข์มีชื่อว่าความสุขก็ต้องมีฉันใดเมื่อพพมีวิภพคือปราคือความปราศจากภพก็จำต้องปรารถนาก็คือจะต้องมีฉันนั้นเมื่อความร้อนมีความเย็นอย่างอื่นก็ต้องมีฉันใดเมื่อไฟสามอย่างคือราคะโทสะโมหะมีอยู่ นิพพานความดับไฟก็จำต้องปราถนาฉันนั้นเมื่อความชั่วมีแม้ความดีก็ต้องมีฉันใดเมื่อความเกิดมีอยู่ความไม่เกิดก็จำต้องปราถนาฉันนั้นอันนี้ก็เป็นการมณสิการนสิการของพระโพธิสัตว์เป็นการคิดไตรตรองเหตุผลโดยหลักความเป็นจริงซึ่งก็เกิดจากการสังสมปัญญามาโดยจินตามยะปัญญาสามารถที่จะคิดถึงพระนิพพานได้ บุรุษพู้ตกไปในหลุมคูดเห็นสระน้ําเต็มไม่เข้าไปยังสระน้ํานั้นนั่นไม่ใช่ความผิดของสระน้ําฉันใดเมื่อสระน้ำำําอมฤตมีอยู่บุคคลไม่แสวงหาสระน้ํานั้นอันเป็นที่ชําระมนทินคือกิเลสนั้นไม่ใช่ความผิดของสระน้ำำําอมฤตก็คือพระนิพพานฉันใดก็ฉันนั้นเมื่อทางไปมีอยู่ บุรุษนั้นถูกพวกข้าศึกปิดล้อมไม่ยอมหนีไปนั่นไม่ใช่ความผิดของหนทางฉันใดเมื่อทางกเกษมมีอยู่บุคคลถูกกิเลสปิดล้อมไม่แสวงหาทางนั้นนั่นก็ไม่ใช่ความผิดของทางอันกเกษมฉันนั้นคนป่วยเมื่อหมอมีอยู่ก็ไม่ให้หมอเยียวยาความป่วยไข้นั้นนั่นไม่ใช่ความผิดของหมอฉันใดคนมีทุกข์ถูกความป่วยไข่คือกิเลสเบียดเบียน ไม่แสวงหาอาจารย์นั่นก็ไม่ใช่ความผิดของอาจารย์ผู้แนะนำคนปลดเรื่องซากศพที่น่ารังเกียจที่ผูกไว้ที่คอแล้วไปอยู่เป็นตุกอย่างเสรีตามลาพังตนฉันใดเอาเถิดเราควรเป็นผู้ไม่มีความห่วงใยไม่มีความต้องการละทิ้งร่างกายที่เปื่อยเน่าเต็มไปด้วยซากศพต่างๆนี้ไปเสียฉันนั้นบุรุษหรือสตรีทายอุจระลงในส้วม แล้วละทิ้งส้วมไปไม่มีความห่วงใยไม่มีความต้องการฉันใดเราจักละทิ้งร่างกายที่เต็มไปด้วยซ้าศพต่างๆนี้ไปเสียดุดคนถ่ายอุจจาระลงในตวมแล้วละทิ้งส้วมไปฉันนั้นเจ้าของเรือทิ้งเรือที่ครํำคล่าชารดน้ำไหลเข้าได้ไปอย่างไม่มีความห่วงใยไม่มีความต้องการฉันใดเราจักละทิ้งร่างกายนี้ที่มีทวารกา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 เราละทิ้งผ้าสาดกซึ่งประกอบด้วยโทษเก้าประการแล้วนุ่งผ้าคากรองคือผ้าเปลือกไม้ซึ่งประกอบด้วยคุณสิบสองประการเราละทิ้งบรรณสาราที่ประกอบไปด้วยโทษแปดประการเข้าไปอาศัยโคนต้นไม้ซึ่งประกอบด้วยคุณสิบประการเราละทิ้งข้าวเปลือกที่หวานไว้ปลูกไว้โดยไม่เหลือวรรโภคผลไม้ที่หล่นเองซึ่งประกอบด้วยคุณหลายอย่าง ในที่นั้นเราบำเพ็ญเพียรอยู่ในที่นั่งที่ยืนและที่จงกรมภายในเวลาเจ็ดวันก็ได้บรรลุอภิญญาพละก็นํามาซึ่งกําลังคืออภิญญานะพึงสร้างอธิบายในคาถาเหล่านั้นที่ชื่อว่าโทษแห่งการเดินจงกรมห้าประการคือไม่ใช่โทษแห่งการเดินจงกร ม, มนะหมายถึงโทษของที่จงกรม โทษของที่จมกลมมีห้าประการก็ต้องเว้นนะก็คือหนึ่งเป็นสถานที่แข็งขลุกขละสองมีต้นไม้ขึ้อนอยู่ภายในภายในที่จมกลมนั้นสามเป็นที่รกแล้วก็มีที่กำบังรกกำบังรกชัดสี่แคบเกินไปห้ากว้างเกินไปถ้าแข็งก็ทำให้จิตท้าทายนะไม่ตั้งมั่นโทษแถงที่จมกลม ถ้าแข็งเกินไปก็เจ็บเท้าสมาธิไม่ตั้งมัน่นมีต้นไม้อยู่ในที่จงกรมก็จะทาให้จิตระแวงกลัวจะไปโดนบ้างอะไรบ้างแล้วก็ถ้ามีที่รกแล้วก็อาจจะมีงูงเงี้ยวเกี่ยวขอสัด ร, ร้ายอยู่แคบเกินไปก็ทำให้จิตคับแคบบ้างเกินไปก็ทำให้จิตคิดไปฟุ้งซ่านคำว่าอัฏฐคุณะสมุเปตังประกอบด้วยคุณแปดประการมีอธิบายว่า อภิญญาพละอันประกอบด้วยคุณแปดประการที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ว่าเมื่อจิตเป็นสมาธิหนึ่งบริสุทธิ์ปุดพองสองไม่มีกิเลสเพียงดังเนินสามปราศจากความเศร้าหมองอันที่สี่อ่อนอันที่ห้าเหมาะแก่การใช้งานอันที่หกตั้งมั่นอันที่เจ็ดแล้วก็ไม่หวั่นไหวข้อที่แปดนะอย่างนี้อันนี้ก็เป็นกำลังแห่งอภิญญาก็พวกที่บวชเป็นดาบท มีโทษในผ้าสาดกเก้าประการคือหนึ่งผ้ามีราคามากต้องขอผู้อื่นใช้สอยแล้วก็หมองเร็วด้วยสองผ้าที่หมองแล้วจำต้องซักและต้องย้อมสามผ้าที่ใช้สอยเก่าแล้วจะต้องทำการชุนทำการปะสีแ่แสวงหาผ้าใหม่ได้ยากห้าผ้าไม่สมควรแก่การบวชเป็นดาบท 6. กพวกาศึกก็ใช้ได้ก็คือเป็นสาธารณะกับพวกาศึกนามาปร้นนะชิงออาไปก็ได้เจ็ดต้องระวังรักษาไม่ให้พวกาสึกรักไปได้ต้องมีความระแวงห่วงใยแปดเป็นเหตุให้ผู้นุ่งห่มมีการแต่งตัวเก้าถือเที่ยวไปก็กลายเป็นผู้ที่มักมากอันนี้เป็นโทษของผ้าขาดกเก้าประการคำว่าวากะจีรังวากะจีรังก็คือผ้าคากรอง หมายถึงผ้าเปลือกไม้นั่นเองผ้าที่ทำด้วยเปลือกไม้ซึ่งทำหญ้ามุงกระต่ายเป็นเส้นๆแล้วถักใช้ผ้าคากรองนั้นมีอนิสงส์12ประการก็คือข้อที่หนึ่งมีราคาน้อยไม่ต้องขอผู้อื่นด้วยสองสามารถทาใช้ด้วยตนเองก็เอาย่าเน่ น, นะมาถักๆๆนะให้เป็นเหมือนกับสวม เ, เป็นเหมือนกับที่สวมใส่ของไปเนี่ยนะ อันนี้สามผ้าค่อยๆมองไปอันนี้สี่เมื่อใช้เก่าไปก็ไม่ต้องเย็บอันนี้ห้าไม่ต้องกลัวคนลักไปอันนี้หกแสวงหาได้ง่ายอันนี้เจ็ดเหมาะแก่การบวชเป็นดาบทข้อที่แปดไม่เป็นเหตุให้ผู้นุ่งห่มมีการแต่งตัวข้อที่เก้ามีความมักน้อยในปัจจัยคือจีวรข้อที่สิบใช้สะดวกข้อที่สิบเอ็ดหาเปลือกไม้ที่เกิดได้ง่ายจะเปลี่ยนก็ไม่ยากหาเปลือกไม้ถือว่า ยาต่างๆมาถักข้อที่ติดต่อเมื่อผ้าปเปลือกไม้สูญหายไปก็ไม่เสียดายก็ไปหาใหม่ครั้งนั้นสุเมธาบัณฑิตพักอยู่ในบรรณาศาลานั้นตอนใกล้รุ่งลุกขึ้นทิจรารณาถึงเหตุที่ตนออกบวชคิดอย่างนี้ว่าเราละทิ้งบ้านเรือนประดุษสถานที่อยู่ของเทพ ย, ายดางดงามด้วยสมบัติอันโอราน่นารื่นรมด้วยคนในเรือนที่หัวเราะและพูดจาการภเราะ เจือด้วยเสียงกำไลมือกำไลเท้าทำด้วยทองใหม่กระทบกันดุดทิ้งก้อนเขรข้าไปยังป่าตะโปวันสถานที่บำเพณตะบะลอยบาบของชนทั้งปวงเพราะเป็นผู้ยินดีในวิเวกแต่การที่เราพักอาศัยในบนารรณศาลานี้ย่อมเป็นดุดการคองเรือนครั้งที่สองเอาละเราจะพักอาศัยที่โคนไม้ก็เป็นผู้ที่วิเวกขัดเกลามักน้อยสันเลขะมากเลยนะ มาอยู่ในบนรรณศาลาก็คิดว่าเป็นการคลองเรือนอีกครั้งหนึ่งเพราะฉะนั้นอยู่ที่โคนไม้ดีกว่าเพราะเหตุ น, นั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสว่าเราได้ละทิ้งบรรณศาลาอันเป็นที่รวมแห่งโทษแปดประการที่ชื่อว่าโทษแปดประการก็คือหนึ่งบรรณศาลาจะสร้างให้สําเร็จได้ต้องใช้เครื่องตรงมากต้องบํารุงด้วยหญ้าใบไม้และดินเหนียวเป็นต้นเป็นประจำสองเศนาสนะย่อมสุดโทรมไป สาการที่ต้องย้ายออกไปในเวลาไม่สมควรจะไม่มีเอกกตากิจถ้ามีใครมาขอาพักขออาศัยด้วยก็จะต้องย้ายจะต้องอะไรอย่างนี้ทําให้จิตไม่ตั้งมัน่นสี่ต้องทนุถนอมกายเพราะกระทบเย็นร้อนห้ามีเหตุที่จะต้องปกปิดทำก่อหาที่ว่าผู้เข้าสู่เรือนอาจจะกระทําความชั่วอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้หกจะมีการหวงแหนว่าเรือนนี้ของเราเ็ดต้องอยู่อย่างมีเพื่อน ก็คือมีศัก ต, ต่างๆเข้าไปอยู่ด้วยหรือว่ามีคนเข้าไปอาศัยด้วยแปดเป็นสถานที่ทั่วไปแก่ศัตรทั้งหลายมีเลนเลือดและจิ้งจบเป็นต้นเหล่านี้คือโทษแปดประการแห่งบรรณศาลาที่ชื่อว่าโคนไม้มีคุณสิทธิ์ประการก็คือหนึ่งมีความริเริ่มขวนขวายน้อยสองได้ความไม่มีโทษโดยง่ายว่าการเข้าอยู่ที่โคนไม้นี้เท่านั้นก็คือจะอยู่ต้นไหนต้นไหนก็สะดวก สามเกิดความสำคัญว่าไม่เที่ยงเพราะเห็นความเปลี่ยนแปลงแห่งใบไม้สี่ไม่มีความตรหนีเสนาสะนะห้าเมื่อจะกระทําชั่วที่โคนไม้ย่อมละอายเพราะฉะนั้นจึงไม่มีความลับในการทำชั่วหกไม่มีความหวงแหนเจ็ดได้อยู่ร่วมกับเทวดาแปปฏิเสธที่มุงบังเก้ามีความสะดวกในการใช้สอยสิบไม่มีความกังวล เกษตรนาสนะคือโคนต้นไม้หาได้ง่ายในสถานที่ทั่วไปนี้เป็นอนิสงค์ของการอยู่โคนไม้มีคุณสิทธิประกันเมื่อสุเมธดาบทเห็นโทษแห่งบรรณศาลาและคุณแห่งโคนต้นไม้อย่างนี้แล้วจึงละบรรณศาลาเข้าไปอยู่ยังโคนต้นไม้สั่งสมกําลังแห่งอภิญญาให้เวลาล่วงไปด้วยสุขอันเกิดจากสมาบัติโอใครจะมีความสุขเท่านะเป็นผู้ที่ได้ฌานสมาบัติ ถ้ายัางติดข้องในกาลก็คงไม่ได้นะสารสมบัตินี้ก็ต้องสละกามที่ก่อนจึงสามารถที่จะอบรมจิตให้ตั้งมั่นนะเพราะว่าเอกกต า, านี้เป็นปฏิปะต่อกามนะถ้ายัางมีกาลอยู่เอกกต า, ก, าก็ไม่ตั้งมั่นพระทศพลพระนามว่าทีปังกรผู้กระทําการสงเคราะห์ชนทั้งปวงผู้ทรงกระทําความกลัวแก่พลของมารพญามารและก็พลละมานี่กลัวเลย ผู้ทรงกระทำประทีปคือยานผู้ทรงกระทำความเกษมแก่โลกทั้งสิน้นครั้นทรงบรรลุพระอนุตตรสัมมาสัมพธิยาแล้วทรงแวดล้อมด้วยพระขีนาศพสี่แสนรูปสเสด็จจาริกไปโดยลำดับจนถึงพระนครรัมมะอันรื่นรมย์อย่างยิ่งประทับอาศัยในสุทัศนมหาวิหารฝ่ายประชาชนชาวรัมมะนครต่างถือดอกไม้และของหอมเป็นต้น พากันไปยังสุทัศนะมหาวิหารอภิวาสและบูชาพระทศพลแล้วทูลอาราธนาฉันพัฒหารในวันรุ่งขึ้นในวันต่อมาต่างจัดเตรียมมหาทานช่วยการประดับผลทางตั้งแต่สุทัศนะมหาวิหารจนถึงรำมะนครในขณะนั้นสุเมธาดาบทนั้เหาะไปทางอากาศด้วยการนิยกิจของเทวดาบางอย่างได้เห็นมหาชนเหล่านั้นร่าเริงยินดี ช่วยกันแผ้วถางและประดับผนทางด้วยความอุตสาหะอย่างมากคิดว่ามหาชนเหล่านี้มิได้กระทําอย่างนี้เพื่อพระราชาจะต้องมีเหตุในเรื่องนี้จึงลงจากอากาศแล้วถามมนุษย์เหล่านั้นว่าก็พวกท่านแผ่วถางขนทางเพื่อใครมนุษย์เหล่านั้นกล่าวตอบว่าท่านตุมิทะผู้เจริญท่านไม่ต่างหรือพระสัมมาสัมพุทธเจา้าพระนามว่าทีปังกร ทรงบรรลุพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาแล้วทรงประกาศพระธรรมจักอันประเสริฐแล้วสเสด็จจาริกตามชนบทสเสด็จมาถึงพระนครของพวกเราโดยลาดับประทับอาศัยอยู่ที่สุทัศนมหาวิหารพวกเราทูลอารัธนาพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นไว้จึงช่วยกันแผลวทางหนทางที่พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าพระองค์นั้นจ ะ, สะเสด็จมานี้ ในขณะนั้นสุเมธาดาบทได้ฟังดังนั้นแล้วคิดว่าแม้การจะประกาศว่าพุโทโธพระพุทธเจ้านี้ก็หาได้ยากไม่ต้องกล่าวถึงการที่พระพุทธเจ้าจะเกิดขึ้นในโลกแค่ได้ยินเสียงหรือว่าได้ยินคําว่าพุทธโธนี้ก็ยากเลยนะจะป่วยกล่าวไปใหญ่ถึงการเกิดขึ้นของพระพุทธเจ้าในโลกเพราะฉะนั้นก็เป็นสิ่งที่ได้โดยยากยิ่งถ้าเช่นนั้นแม้ตัวเรา ก็สมควรจะช่วยมนุษย์เหล่านี้แผ่ทางหนทางที่พระทศพลจ ะ, ะเด็จมาทูมเมธาดาบทนั้นครั้นคิดแล้วจึงกล่าวกับมนุษย์เหล่านั้นว่าท่านผู้เจริญทั้งหลายถ้าพวกท่านช่วยกันแผ่ทางหนทางนี้เพื่อพระผู้มีพระภาค พ, พุทธเจ้าไซขอพวกท่านจงให้ส่วนแห่งหันทางส่วนหนึ่งแก่ข้าพเจ้าแม้ข้าพเจ้าก็จะช่วยแผ่ทางหนทางกับพวกท่าน เมื่อสุเมธาดาบทกล่าวอย่างนี้แล้วมนุษย์เหล่านั้นก็รับว่าสาธุและทราบว่าสุเมธะบัณฑิตนี้มีฤทธิ์มากมีอนุภาพมากจึงกําหนดที่แห่งหนึ่งซึ่งแพร่าถางยากมีน้ําเจิ่งนองพื้นไม่เรียบให้ด้วยกล่าวว่าขอท่านจงแพร่าถางจงประดับที่ตรงนี้แ่้ก็รู้ว่ามีฤทธิ์มากนะเพราะฉะนั้นเอาที่ลําบากลําบากไปที่มีน้ําเจิ่งนองไม่เรียบในเสมอไป ลำดับนั้นสุมเมธาดาบทเกิดปีติมีพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์คิดว่าเราสามารถที่จะกระทำสถานที่ตรงนี้ให้เป็นทัศนียภาพสวยงามอย่างยิ่งด้วยริดแต่โอกาสสถานที่ที่เรากระทำอย่างนั้นไม่ทำให้เราภูมิใจในวันนี้เราควรจะกระทำการขวนขวายด้วยกายไม่ใช่ริดแต่ใช้แรงกายจะดีกว่าทำให้เกิดปีติประโมทมากกว่า ดังนี้แล้วก็ น, นําดินร่วนมาถมเต็มที่ตรงนั้นเมื่อทุเมธนาบทแผ้วถางที่ตรงนั้นยังไม่ทันเสร็จค้างอยู่พวกมนุษย์ก็กราบทูลเวลาแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วลําดับนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าที่ปังกรพร้อมพระสงฆ์คือแวดล้อมด้วยพระขีนาศพสี่แสนรูปอันเทวดาและมนุษย์บูชาอยู่ทรงรุ่งเรืองประดุดดวงพานุมาตรก็คือพระอาทิตย์มีรัศมีตั้งหนึ่งพัน ร่วงโรอดอยู่ในถ้ำกลางท้องฟ้าเสด็จเข้าไปยังรัมมะนะครครั้งนั้นสุเมธาดาบทได้เห็นพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นทรงกระทําโลกธาตุทั้งสิ้นให้มีแสงสว่างถึงกันด้วยพระพุทธสิริอันหาสิ่งเรียบไม่ได้ทรงยังห้องแห่งยุคันธรให้สว่างไสวเสด็จมาดุดดวงอาทิตย์แสงอ่อนแล้วจมลงในทะเลแห่งปีติคิดว่า วันนี้เราควรจะสละชีวิตเพื่อพระทศพลพระผู้มีพระภาคเจ้าอย่าได้ทรงเหยียบเปลือกตมขอจงทรงเหยียบหลังของเราสเสด็จไปพร้อมกับพระขี่นาศบ4แสนรูปดุดเหยียบสะพานแก้วผลึกประดับดุดเหยียบสะพานแก้วผลึกประดับด้วยแก้วมณีถ้าเราจะพึงเป็นพระพุทธเจ้าผู้เช่นนี้ในอนาคตการก็ขอให้เหยียบหลังไปเหยียบหลังเราเถอะ อถ้าเราจะได้เป็นพระพุทธเจ้านะก็เสียงทายเสี่ยงในใจด้วยเลยเพราะเหตุนั้นพระพุทธรักษ์กิตาจารย์จึงกล่าวว่าตัสสัญชสังกาตุมะหุดสหานังซึ่งกําลังพยายามทําทางเพื่อพระพุทธเจ้าที่ปังกรพระองค์นั้นเป็นต้นมีอธิบายว่าสุมเมธาดาบทได้ยินคําพูดของพวกมนุษย์ผู้พยายามกระทําหนทาง ที่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นจะเสด็จมาให้เรียบเสมอคำว่าสุมโนคือดีใจได้รับความสมนัตคําว่าปีติโตเกิดปีติคือมีร่างกายเต็มด้วยปีติอันมีพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์คำว่าอัชชะวันนี้คือในบัดนี้คำว่ามะมะเดหังร่างกายของเราคำว่าอิมัสสะพระองค์นี้คือพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้กาลังเสด็จมาคาว่าดัตตวาถวาย คือบูชาได้แก่กระทําการบริจาคชีวิตนะก็ถ้าเกิดพระพุทธเจ้ากับพระอัฏฐันธิกีนาศศีแสนรูปเดินเหยียบบนหลังของสุเมทะไปเนี่ยนะก็คงจะต้องสิ้นชีวิตแน่นอนนะแต่ว่าท่านสละชีวิตแล้ว่ะสมควรที่จะได้เป็นพระพุทธเจ้านะแต่ว่าพรุทธเจ้าก็ไม่ได้เหยียบหรอกเพียงแต่ว่าพยากรณ์เท่านั้นว่าจะได้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วก็บูชาด้วยดอกไม้ ัพระกีณาศพทั้งหลายก็ประดิศฐ์นนะก็บูชาพระโพธิสัตว์เหมือนกันคําว่าบุตโธอะหังเหสัมมนาคเตสิขอโทษครับบุตโธอะหังเหสัมมนาคเตดิโสจักเป็นพระพุทธเจ้าเช่นพระพุทธเจ้าพระองค์นี้ในอนาคตคือสุเมธาดาบทคิดว่าแม้เราก็พึงเป็นพระพุทธเจ้าเช่นนี้ในอนาคต ครั้นคิดอย่างนี้แล้วจึงเปลื้องผมลาชฉดาหนังเสือและผ้าขากรองบนเปลือกตมสีดำแล้วนอนบนหลังเปลือกตมนั้นแหลเพราะเหตุนั้นพระพุทธรักษิตาจารย์จึงกล่าวว่าตัดสมินชะเสกันทระรกรรมหิปังเกบนเปลือกตมที่แอ่งน้ําในทางนั้นเป็นต้นซึ่งได้แก่ที่บ่อเปลือกตมมีน้ําเจิญนองแอ่งหนึ่งในหนทางนั้น คำว่ากตวานะเสตุงสยิโสสะเดหังนอนทอดร่างกายของตนเป็นสะพานคือสุเมธาดาบทนอนเอาร่างกายของตนคือสตรีระของตนทําเป็นสะพานท่านมุ่งหวังอะไรคือท่านกระทําเพื่อประโยชน์นี้ว่าถ้าพระโพธิยานจักมีแก่เราในอนาคตครั้งนั้นสุเมธาดาบทนอนอยู่บนหลังเปลือกตมคิดอย่างนี้ว่า ถ้าเราจะพึงปรารถนาฟังธรรมของพระผู้มีพระภาคเจ้าในสถานที่นี้แลแล้วขึ้นสู่ธรรมนาวาเผากิเลสทั้งปวงบวชเป็นพระสังฆนวกเข้าสู่ ร, รัมมนครข้อนั้นไม่น่าอัศจรรย์สำหรับเราเราไม่ต้องการกระทาการเผากิเลสทั้งหลายแล้วบรรลุนิพพานด้วยเพศที่ใครไม่รู้จักทำอย่างไรหนอเราจะพึงบรรลุป arama p i s a m p o t า i ดุดพระทีปังกรทศพลแล้วขึ้นตู่ธรรมนาวาพามหาชนข้ามสังสารสาครแล้ปริณิพานในภายหลังข้อนี้เป็นสิ่งที่สมควรแก่เร า, าก็ตั้งความปรารถนาอันยิ่งใหญ่นะหวังจะเป็นพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นก็จะต้องบำเพ็ญบา ร, รมีอีกสี่อสงไขยแสนกับทั้งทังที่สามารถที่จะบรรลุเป็นพระอาหารหันต์แล้วก็ตรัสรู้เป็นพระอาหารหันต์แล้ว แล้วก็ปรินิพพานในชาตินั้นไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิดไม่ต้องไปจมกับพวงแห่งวัฏฏทุกข์อีกยาวนานแต่ว่าพราะองค์ก็อนุเคราะห์ด้วยมหากรุณาแกสรรพสัตว์ทั้งหลายก็ยอมที่จะทุกข์ทรมานเกิดเป็นเปรตบ้างเป็นสัตว์นรชานบ้างสัตวนรกบ้างอาเวียนว่ายตายเกิดไปอีกสีตองค์ใครแา่ก็เพื่อเยตัสรู้เป็นระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็ประกาศพระธรรมจักรแสดงธรรมแก่พวกเราอย่างนี้แหละเพราะฉะนั้นก็สมควรในการที่จะมีความทราบซึ้งมี คระมตันยูต่อพระสัมมาสัมพุจ้าที่มีพระมหากรุณาอันยิ่งใหญ่อย่างนี้ด้วยการน้อมประพฤติอธิศีนอธิจิตอธิปัญญาตามคำสอนของพระสัมมาสัมพเจ้าแล้วก็ปรารถนาพระนิพพานอบรมไตรสิทธาอริยมรรคมีองค์แปดเพื่อจะบรรลุพระนิพพานในชาตินี้แล้วก็ได้จักรู้เป็นพระอรหันต์ในที่สุดขอยห้ท่านทั้งหลายได้กระทําตามคำสอนของพระศาสดาด้วยจัตตาวิริยยะปิติแล้วก็พวกอินทรีห้าสมาธิปัญญา ไว้เจริญด้วยกุตตรธรรมโดยทั่วกันด้วยเทืนสาธุสาธุสาธุ